นะโมตัสสะทักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาพากันนั่งนิ่งๆสักหน่อยนั่งนิ่งๆได้ไกม ทำใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นภายในใจโอกาสนี้ต่อไปเราก็จะได้ปฏิบัติบูชาบุญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น ผู้ตั้งศาสนาขอตั้งใจถึงพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งสมควรที่จะปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัตโตตรงปฏิบัติชอบจะขอปฏิบัติบูชาทั้งสามอย่างนี้นึกถึงความเป็นพระคุณนะั่นะทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ปกติแล้ว การปฏิบัติทางด้านจิตใจเนี่ยมันไม่มีพิธีรีตองอะไรนะอย่างมากที่สุดก็นึกถึงพระพุทธเจา้าผู้ที่ตั้งศาสนาแล้วก็ทรงค้นเจอคำสอนมาสอนให้พวกเรา นึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นแบบฉบับท่านเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณส่วนสำคัญที่จะให้พวกเราเก้าวเดินไปได้ก็คือวิธีวิธีธ ร, รมวิธีการกับความขยันหมั่นเพียร พวกเราอย่าคิดว่าองค์นั้นมาสอนเราจะเป็นพระ อ, อริยะไปได้องค์นี้มาสอนเราจะเป็นพระ อ, อริยะไปได้สําคัญอยู่กับวิธีการแล้วก็ความเพียรต้องสมดุลกันสม่ําเสมอกันเหมือนครึ่องบินเนี่ยทา มันหนักซ้ายหนักขวาเสื้อหนักเสื้อข้างเดียวมันก็บินไปไม่ได้นะเราก็คงจะเคยเล่นเบ้ากันช่างทำเบ้าเขาเนี่ยทุกสัสดส่วนมันต้องเท่ากันเสมอกันไม่เอียงไม่หนักทางใดทางหนึ่ง เมื่อผูกเชือกเข้าไปเป็นต้านกระลมแล้วมันก็ขึ้นไปได้ถ้ามันหนักเสือทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เนะี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องกับความเพียรต้องสม่าเสมอกันถ้าเราไม่มีสองอย่างหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อให้มีพระพุทธเจ้าสักห้าพระองค์เกิดมาพร้อมกันแล้วก็มาเชิมันก็เป็นไปไม่ได้นะเราจะนิมนต์ครูบาอาจารย์ไหนมาก็ช่างอาจจะมานี้ไปงานศพหลวงปูก่กวงวันนั้นหลวงพ่อบุญมี หนองบัวสวมามเทศเราก็ตั้งใจฟังจะไม่ให้ขาดสักคำเลยในคำเทศวันนี้ตั้งใจฟังรู้ไหมว่าท่านเทศนานไหมสองชั่วโมงกว่าเราฟังเทศหลวงพ่อบุญมีไปด้วย แล้วก็นึกถึงพวกคุณไปด้วยสมมุติว่าเดี๋ยวนี้มีญาติโยมทั้งหลายกำลังฟังอยู่ถ้านักปฏิบัติกำลังเริ่มต้นเขาจะจับจุดไหนของคำพูดที่เทศรู้สึกว่าเราฟังแล้วหาจุดเริ่มต้นไม่ได้สักคำเลยอ๋อเราก็มานึกถึงพวกคุณทันที แสดงว่าพวกเราฟังเทศแล้วก็ฟังเพลินฟังเพราะฟังเนื้อหาไปเฉยๆไม่มีจุดที่จะก้าวเดินออกมาได้เลยแล้วก็มาอ่านใส่คู่บาอาจารย์หลายๆองค์ที่ท่านเทศก็เหมือนเหมือนกันทั้งหมด การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่จะไปฟังกันตืมตามขนาดนี้นะถ้ารู้วิธีใช้ความเพียรเน้นวิธีเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีวิธีดีๆเอามาพูดเอามาคุยเฉยๆเป็นๆไปมันไม่เป็น ถ้าความเพียรสูงวิธีไม่ถูกก็ยิ่งห่างความผิดก็ยิ่งเข้าสู่ความผิดห่างจากความถูกต้องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวพวกเราไม่ได้ทำความเข้าใจในวิธีการเลยวิธีการเขาไม่ได้มีอะไรมากมายนะ เดี๋ยวนี้จิตใจของเราเป็นนักเศษติดทางอารมณ์เขาจะอยู่เฉยๆไม่เป็นเขาจะอยู่เฉยๆไม่ได้พอเข้าใจไหมเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเวลาเรานอนเขาไม่คิดเวลาเรานอนนอนหลับเขาไม่คิด เวลาเรากำลังจะนอนถ้าเขาคิดเราหลับไม่ได้เขาต้องหยุดคิดสักหนึ่งนาทีเขาถึงจะเข้าไปหลับได้เมื่อหลับแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไม่คิดถามว่านอนหลับแล้วจิตอยู่ที่ไหน ไม่มีใครเคยสังเกตเลยใช่ไหมทีนี้เวลารู้สึกตัวตอนเช้าเรายังไม่ออกจากที่นอนแล้วเลยเขาไปแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ แล้วเขาไปไหนรู้ไหมไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าศาสนาแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันนี่นะถ้าเป็นท่นูได้ว่าปืน พระพุพทธเจ้าเอาจิตใจนี้เป็นเป้าหมายสำคัญถ้าเป็นธนูเป็นหอกเป็นดาบนี้เอาจิตใจเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดเพราะอะไรอ่ะร่างกายเขารับศาสนาได้ไม่เต็มร้อยนะจิตใจนี้แนะ่ะจะเป็นผู้รับ สนองคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เต็มรูปแบบพอเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิเดินจงกรมสำเร็จเป็นพระอระหันต์ระหว่างกายกับจิตใครเป็นพระอระหรันต์ กายใครเป็นพะระอรหันต์ใช่หรือไม่ที่เขาเรียกกันว่าพะาระอรหันต์พะระอรหันต์เขาเรียกกายหรือเรีย ก, กจิต กายสุดท้ายก็เผาใช่ไหมจิตสุดท้ายก็เข้าพระนิพพานใครเป็นพระอระหันต์จิตเป็นพระอระหรันต์กายนี้เป็นผลพลอยได้กายเนี้ยนอกจากจะเป็นผลพลอยได้ยังไม่พอนะเป็น เครื่องมือที่จะทําให้จิตเป็นพระอรหันต์ที่ขาดเขาไม่ได้เข้าใจไหมคํานี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเป็นเปรตล้วทําตัวเองให้เป็นพระอรหรันต์ได้ไหมได้ไหมถ้าไปเป็นอินเป็นพรหม ทำตัวเองให้เป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ๆก็โผล่ขึ้นในถ้ากลางของพุทธธรรมสังฆาใครจะได้อธิษฐานมาหรือไม่ได้อธิษฐานมาวันเนี้ยก็โผล่ขึ้นในถ้ากลางของศาสนา แล้วใช่ไหมหูก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดไม่เป็นคนใบ้บ้าปัญญาสามกายไม่วิปริตจิตไม่วิปราตสมควรเรียกตรงนี้ว่าโอกาสทองไหมไ่่ไหม เดี๋ยวนี้พวกเราเกิดขึ้นในถ้ำกลางของอริยศาสนาคำว่าอริยศาสนานี่เป็นศาสนาที่พร้อมจะหล่อหลอมจิตทุกดวงให้เป็นพระอรหันต์ไปได้ใช่ไหมหลวงปู่มั่นท่านหล่อหลอมของท่านมาแล้ว หลวงปู่มหาบัวหลวงปู่วินิยัยงท่านเอาธรรมะเหล่านี้ละหล่อห ล, อ, ลอมกิตใจของท่านเป็นพระอริยบุคคลไปแล้วเพราะฉะนั้นอริยชาอริยศ า, าสนาคือศาสนาพร้อมที่จะขัดเกลาวจิตใจทุกดวงให้เป็นพระอรหันต์ได้ตัวอย่างมีแล้วนะได้ใช่ไหม อริยชาติคือชาติแห่งอริยชาติเนี่ยเป็นชาติที่เราจะฟักฟอกตัวเองให้เป็นพระอาหารหันต์ไปเสียพอเข้าใจไหมอริยะแผ่นดินอ้าอริยะแผ่นดินแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยเราบอกง่ายเลยว่าอริยะแผ่นดิน เพราะมีพระอริยะอยู่ทัท่วทุกภาคอริยะศาสนาอริยะชาติอริยะแผ่นดินแล้วเมื่อไรมันจะเป็นอริยะบุคคลเมื่อใดเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ธรรมดานะชาต ที่นี้ชาตินี้เราบอกได้เลยว่าเป็นชาติพิเศษของพวกเราทำไมถึงว่าพิเศษเพราะการเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าก็บอกว่ายากที่สุดแต่วันนี้มาแล้วศาสนาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นของดีที่เจอยากที่สุดว่าเรียกเจอแล้ววันนี้ ศาสนานี่เป็นสิ่งที่เจอยากที่สุดที่เราบอกว่าชาติพิเศษของพวกเรานั้นคือทั้งศาสนาทั้งเราพร้อมกันมาพร้อมกันเลยแล้วอยากจะถามว่าพวกเราได้อะไรจากศาสนาแล้ว พวกเราได้อะไรจากศาสนาแล้วศาสนานี่อาตมาให้ชื่อเต็มๆว่าเป็นศูนย์รวมของความดีทุกระดับชั้คนพวกคุณคิดว่าใช่ไหมศาสนานี่อาตมาให้ชื่อว่า เป็นศูนย์รวมแห่งความดีทุกระดับชั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเกิดมาเจอศาสนาชาติต่อไปเนี่ยพวกเราเลือกเกิดได้เลย คุณอยากไปเกิดที่ไหนถ้าออกจากเมืองมนุษย์ไปแล้วพวกคุณอยากไปเกิดที่ไหนกันมีไหมมีใครตั้งเข็มไว้ไหยมีใครตั้งเข็มไว้ไหมชาติหน้าเนี่ย มีไหมหรือไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมเราเร า, เราคุยกันนะเราเราเทศลักษณะเชิงว่าคุยกันเป็นไปได้ก็ไม่เกิดฮะเป็นไปได้ก็ไม่เกิดหรอ<ะ>ไไ ก, กรอค น, นอื่นๆนะถ้าดือนมีปาหมายนะครับว่าจา ก, ากจปที่ไหนกัน มีแล้วจะไปที่ไหนแต่หลายคนคิดว่าคงจะไปสวน ส, วนสัตว์เลี้ยงหรืออะไรไม่ใช่สัตชื้อชออกจากเมืองมนุษย์แล้วจะไปไหนกันเอาวอยากไปเกิดที่ไหนเราจะได้บอกหอนทางไม่ไปเกิดแล้วค่ะไม่เกิดแล้ฮะคนอื่นๆล่ะไม่เกิดเหมือนกันหมดใช่ไหม อันนี้เป็นความปรารถนาที่ยากที่สุดนะพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระสีอริยะเนี่ยอย่างเช่นพระโคโดมเนี่ยการบำเพ็ญตนใช้เวลาทิดเท่าไหร่สี่อสงไขยแสนมหากับกับหนึ่งนับเป็นปีเป็นเดือนของเมืองมนุษย์ไม่ได้เลย จะบำเพ็ญตนเป็นพระพุทธเจ้านี้ใช้เวลานานมากมันถึงเป็นของดีที่เจอได้ยากถ้าหมดของพระศรีอริของพระโคโดมเนี่ยพระศรีอริยะเมตใจนี้สิบหกอสงไขนะสีอสงไขกับเสียนมหากับ ของพระีอริยะในสิบหกอสงไขยเสียนมหากับเจ อ, อยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มตาตัดสรุก็มีความสามารถอันเดียวกันนั่นล่ะโยมคือไปดึงเอาอาริยสัจสีออกมาสอนโลกชาติเนี้ย เราได้กินจัจะ ด, ดัดด่ดะเรายังจะไปปรารถนาศานสานสาศาสนาศาสนาอีกก็ถือว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่พระพุทธเจ้า อ, องค์ไหนมาก็คืออริยสัจนี่มันเป็นมันเป็นความสัต์ความจริงประจําโลกอยู่แล้วแต่ ก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจก็มีอยู่แต่มันมีอยู่ที่ไหนไม่รู้พอพระอริยพอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยท่านก็มองเห็นตัวนี้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่นี้มันเป็นอำนาจของผู้ที่สร้างตนเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะดึงออกมาสอนโลกได้พอเข้าใจไหมอำนาจของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสมมติว่าพวกเราก็ถือพวกเราก็รู้กันหมดอยู่เดี๋ยวเนี้แต่การปฏิบัติไม่เป็นไปธรรมะครบถ้วนสมบูรณ์แบบถือว่าพวกเราเจอาศาสนาแบบเต็มๆ เ, เลยนะเดี๋ยวนี้แต่ก็ยังเอาอะไรไม่ได้ คุณค่านิยมของพวกเราคือนิมนต์องค์นั้นมาเทศนิมนต์องค์นี้มาเทศใช่ไหมเรื่องของการหลุดพ้นเรื่องของการอธิบายเรื่องจิตใจไม่หนีกันหรอกยมช่างไฟฟ้าไม่หนีกันช่างเย็บผ้าไม่หนีกันช่างตีเหล็กไม่หนีกัน ครูบาอาจารย์ที่จะมาอธิบายเรื่องจิตตะภาวนามไม่หนีกันหรอกที่หนีกันอยู่เดี๋ยวเนี่ยคือความขี้เกียจขี้ค้านของพวกคุณเองพอเข้าใจไหมความมักง่ายความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจขี้ค้านความไม่ฝึกสติความไม่รู้จักจิตใจของตัวเองเฉย อาจารย์องค์ไหนมาพูดก็ไม่หนีกันละ่ะไม่หนีกันเรื่องของขนทางความหลุดพ้นน่ะไม่ไม่หนีกันหรอกคุณค่านิยมของเราคือนิมนต์องค์นั้นมาเทศองค์นี้มาเทศเฉยแต่ว่าองค์ไหนจะมีความชัดเจนกว่ากันแค่นั้นหละไม่หนีกันหรอกทีนี้ ธรรมะก็ครบถ้วนครูบ า, าอาจารย์ก็ครบถ้วนสิ่งที่มันไม่ครบถ้วนมันอยู่กับตัวของพวกเราเองพอเข้าใจไหมเดี๋ยวเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันครบหมดแล้วนะเพียงแต่ว่าเราไม่ทำการฟังเทศหลุดพ้นมันหมดหมดยุคหมดสมัยแล้ว หมดยุคหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าถึงมาบัญญัติไตรสิกขาขึ้นอ๋อพวกนี้เขาปัญญาปัญญาน้อยให้เขามารักษาศีลสะ ก, กดศีลเขาพอตัวให้เขาฝึกสมาธิพอเขาฝึกสมาธิจิตเขาเป็นสมาธิแล้วเขาจะเห็นอริยสัจของเขาเอง พอเข้าใจไหมที่อาจมามาพูดเนี่ยมันก็มันขยากอยู่นะเอาตั้งเราเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสามกีบุญญารามเอเมื่อเป็นเจ้าอาวาสแล้วเราก็มาอ่านตัวเองว่าอื ความรู้ทางด้านจิตตภาวนาของเราก็ล้นหลามเลยนะเราจะมาเป็นเจ้าอาวาสนั่งอมลิ้นตัวเองอยู่เฉยๆนี่คงไม่เข้าท่าแลวมั้งต้องเอามาพูดสิ่งที่เราคิดขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง คิดขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจเองมาเรื่อยๆเรยๆแต่ทีนี้พอมาสอนวัดดอยอยากโยมเต็มสารแน่นกว่านี้นะแต่ลบวันสวันเสานี้แน่นเอีกเลยนะแล้วก็พูดพปาพูดไปพูดไปเหมือนตัวเองปฏิบัติมาเนั่นนะนะได้สักห้าหกปี มาถามแต่ละคนไม่เข้าใจซักคนโอ้โหมันขนาดนี้เลยเหรอเมื่อไม่เข้าใจแล้วเอาลงมาใหม่จี้มาจี้กันอยู่สามปีเพิ่งฟื้นขึ้นมานี่นนะพวกเราก็จะเหมือนกันนะ เหมือนกันมาจี้กันอยู่สามปีเรานี้ไม่มีใครสอนเลยหาเองมาเข้าใจอันนี้เองพอดีทรุกไปหน่อยตกลงเอาวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ถูกต้องเลยผ่านเลยเราหาเองนะเราหาเองพอดีมา อ่านหนังสือมันจัดเข้าในสติปัฏฐานสีได้เช๊ะเลยเราก็เลยเออมั่นใจตัวเองมั่นใจก็ปฏิบัติขึ้นปฏิบัติขึ้นสุดท้ายก็เป็นทางผ่านที่สดส ด, สดร้อนร้อนเลยที่จะเอามาพูดนี่นะเราบวชเข้ามาแล้วเราเราตั้งใจว่า ครั้งแรกว่าจะบวชพรรษาเดียวพูดกับญาติพี่น้องว่าพรรษาเดียวนะพรรษาเดียวพรรษาเดียวลึกๆของหัวใจนั่นเอพอกันทีนะโลกนี้พอกันทีเถอะแต่ตรงนี้ไม่กล้าพูดกลัวมันจะไปไม่รอดไงมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้า สมัยนั้นมันพศออ 2,533 เอ๊ะทำไมเราเราออกมาเจอศาสนาชาไปไหมชาไปไหมเมื่อมาศึกษาธรรมะตั้งแต่ยังไม่บวชก็เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธนะ แล้วก็ไปซื้อหนังสือหลวงปู่แหวนมาอ่านก็พอที่จะสรุปได้แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาชอบฟังธรรมกายเขาก็จะมีวิทยุของประจำตัวเขามาเมื่อมาเจอกันก็เขาก็เปิดถึงเราจะไม่ชอบมันก็ได้ยิน พอบวชเข้ามาแล้วท่านอาจารย์ก็ไล่ไปเดินจุงกรมไปนั่งสมาธิเวลาไม่พอแน่วันนี้เวลาไม่พอแน่เราก็เอ๊ไปเดินจุงกรมยังไงนั่งสมาธิยังไงไปทําความเพียรทัานว่านะอา้าความเพียรอะไร่ะ ความเพียนอะไรทำทำแล้วได้อะไรเอท่านก็จะพูดอยู่คำเดียวเราก็เลยไปอา่านหนังสือในห้องหนังสืออา่านหนังสือได้ไม่นานก็ยังไม่ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวท่านอาจารย์เข้ามาเจอพอดีเลย ท่านก็บอกว่าอย่าไปอ่านมากหนังสือไปเดินจงกรมเ่มันเรื่องอะไรของมันเรื่องอะไรของการเดินจงกรมเราก็เคยได้ยินอยู่นะนั่งจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ทําอะไรอะ่ะวันที่สองเราไปอา่านหนังสืออีกท่านก็มาเจออีกนะ เพื่นก็ไล่ออกไปแล้วเพิ่นก็ล็อกห้องหนังสือพอดีหนังสือเล่มเล็กๆของหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฝากไว้อะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะท่านจะเขียนคำคมไว้หน้าละสองบรรทัดหน้าที่หนึ่งคือบอกว่าจิตจงออกนอกเป็นสมุทยัยจิตอยู่ภายในเป็นมรก มันมีหน้าต่อไปทีนี้หน้าต่อไปบอกว่าการภาวนาคือการดูจิตบรรทัดที่หนึ่งนะบรรทัดที่สองบอกว่าการดูจิตก็ครอบจั ก, กรวาลของภาวนาเอออันนี้ถ้าจะง่ายดูจิตนี่ถ้าจะง่าย พอไปดูไปนั่งสมาธิจะดูจิตอา้าวจิตอยู่ที่ไหนอ่ะงงเลยทีนี้จิตอยู่ที่ไหนจะไปดูที่ไหนถ้าเคยฟังหลวงพ่อพุธแล้วก็อ่านหนังสือหลวงปู่แบนว่าอารมณ์คืออาการของจิต อาการของจิตเหรออารมณ์คืออาการของจิตแสดงว่าจิตอยู่กับอารมณ์ถ้าเราหยุดไม่ให้ตัวเองคิดได้ก็เท่ากับหยุดจิตได้เอาใกล้เข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาเท่ากับหยุดจิตได้แล้วเราจะไปมองที่ไหนอะธรรมกาย ธรรมกายไม่ชอบแต่ก็ได้ยินพอได้ยินก็จับใจความได้ธรรมกายเขาบอกว่าให้เอาดวงแก้วไว้สวงอกของตัวเองใช่ไมยอาเอามาบวกกันทีนี้เอามาบวกกันดูดวงแก้วมาให้ตัวเองคิด ก็เท่ากับว่าหยุดจิตไม่ให้คิดมีอยู่วันหนึ่งเรานั่งอยู่ตอนเช้าฉันเสร็จแล้วก็มาเอาบาทไปเก็บแล้วก็มานั่งไอความรู้สึกตัวเนี้ยมันแว บ, บขึ้นมาเลยนะเอวคงตัวนี้แหละมั่งก็เลยจับเอาความรู้สึกตัวเนี้ยมาไว้สวงอก เขาไม่รู้นะว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ก็ทำพอทำไปทำไปดีมันเห็นผลเดียวถ้าเป็นเดือนเป็นปีค่อยเห็นผลนี่คงทิ้งไปแล้วอาจจะ ม, มาทำอยู่สองวันเท่านั้นกิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยรู้ว่าเขาออกดึงมารู้ว่าเขาออกดึงมาดึงมาไว้นี่หละ แล้วก็ทําความรู้สึกอยู่รู้สึกอยู่แล้วก็เดินเดินรู้ว่าจิตเสพอารมณ์เรื่องอะไรใช้สติเข้าไปดับเชะเลยเนะ่ะดับฟุ๊บเลยไม่จําเป็นต้องว่าไม่ต้องไม่ต้องไปรับรู้ว่าคือเรื่องอะไรใช้สติดับฟุบเลยดึงมาใช้สติดับฟุบดึงมาดึงมาแล้วก็มามองมา อารมณ์ข้างนอกดับอารมณ์ข้างนอกในสติอย่างเดียวสติอย่างเดียวกว่าจะมาเข้าใจสติเนี่ยตั้งแตก่เกิดไม่เคยตั้งสติเลยพวกเราก็จะเหมือนกันนะไม่เคยตั้งสติเลยสติเนี่ยจิตเนี่ยเขาเสพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเขาไม่มีคำว่าพักผ่อน คุณจะทำงานระดับไหนก็ช่างงานของจิตใจของเราคือเสพอารมณ์จะเป็นนายกจะเป็นนายอำเภอพูดว่าระดับไหนก็ช่างจิตเนี่ยทำงานอย่างเดียวกันเหมือนกันแหละเสพอารมณ์ตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาทเหมือนกันทุกดวง เหมือนกันทุกดวงเพราะฉะนั้น <c oughs> จิตใจเนี่ยเขาไม่มีตัวตนนะแต่เขาเป็นเราพวกเราเข้าใจไหมเขาเป็นเราสมมติว่าเราโดนรถชนกลางถนนร่างกระจุยเลย จนี่เดินออกมาเฉยเลยนะเขาเป็นอมตะเขาไม่เคยตายเขาไม่มีเพศว่าชายว่าหญิงเขาไม่มีชื่อจริงนามสกุลจริงเดี๋ยวนี้พวกเรามามีสามีมามีพ่อแม่มามีภรรยามามีลูกมีหลานอันนี้คล้ายความเป็นจริงไหม ระหว่างพ่อแม่สามีลูกหลานคล้ายความเป็นจริงไหมคล้ายไห ม, ไมแต่ไม่เป็นจริงแต่ไม่จริงใช่ไหมพวกคุณว่าจริงไหมจริงนิดเดียวใช่ไหม พอตายแล้วก็ไม่จริงสักอย่างไอ้ที่มาถึงมาวันเนี้ยคนที่มาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาทาเคยทำบาปทำบุญตั้งแต่อดีตชาติเกี่ยวข้องกันไว้แล้วถึงมาพร้อมกันถึงมาใช้กันในเมืองมนุษย์แล้วก็ใช้กันเสร็จแล้วก็จะพากัน ต่างคนต่างไปพอเข้าใจไหมทีเนี้ยพวกเรามาเข้าใจว่าเป็นลูกเราจริงจริเป็นสามีของเราจริงจรงิเป็นพ่อของเราจริงจริงพอตายจากไปก็พากันมาอะไรอาวรณ์เป็นห่วงเป็นซึ่งขาดกับหลักธรรม พระพุทธเจ้ก็ไม่ได้ว่าไม่ให้เป็นห่วงนะแต่ห่วงให้ถูกทำห่วงถูกศีลถูกธรรมคืออย่างไรคือพยายามทำดีต่อกันตายจากกันไปแล้วเป็นปกติธรรมดานะต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กันและกันแต่พวกเรามาร้องห่มร้องไห้ตีพวยตีพายว่าทำไมมาจากมาทิ้งกัน อันนี้มันเป็นมันเป็นกฎของธรรมชาติที่จะต้องไปแต่พวกเรามาเข้าใจกันจริงมาเข้าใจความหลอกลวงอันนี้ว่าเป็นจริงพอเข้าใจไหมในโลกใบเนี้ยเราอยากจะบอกพวกคุณว่าโลกใบนี้คือโลกแห่งความหลอกลวงใครจะมาหาความเป็นจริงในโลกใบนี้ ขอโทษที่ไม่เจอไม่มีความเป็นจริงของโลกใบนี้คือสิ่งที่หลอกลวงอยู่เป็นนิดเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดสิ่งที่มันไม่พวกเราไม่รู้ว่าพวกเราวงวนเกิดตายกันไม่รู้ว่าเท่าไรแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ เกิดแล้วซ้ำซ้ำซากซากอยู่นี่แหละหาทางออกไม่เจอทางออกมีอยู่หนทางเดียวคือศาสนาเท่านั้นพอเราได้วิธีนี้มาเราก็มามองก็รู้ว่ามันออกไปแล้วก็ดึงรู้ว่ามันออกไปแล้วก็ดึงดับกลางอากาศดึงใช้สตินี่แหละ สติของพวกเราอยู่ที่ไหนรู้ไหมสติสตินี้เขาจะไม่ทำงานนะเขาจะนอนอยู่เฉยเฉยเขาจะนอนอยู่เฉยเฉยถ้าสมมติว่าคุณขับรถอยู่กลางถนนมีคนปาดหน้าของคุณนี้สติมาไหมสั่งให้เหยียบเบรกเบรกแบบอัตโนมัติเลยใช่ไหมระยะที่เขามา เราก็ไม่รู้พอเสร็จจากตรงนี้แล้วเขาก็ไ ป, ประยะที่เขาไปเราก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นธรรมชาติ <c oughs> ถ้าไม่มีเหตุการณ์ถูกเชิญเขาไม่มาสติเราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้านี่สติไหม มีไหมจิตของพวกเราไปด้วยเราไปกับเราไหมระยาที่เราเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยสติกับจิตของเราอยู่ที่ไหนอะ่ะไม่รู้ ไม่รู้ใช่ไหมเราบอกแล้วว่าคุณจะทำงานอยู่โต๊ะทำงานของคุณจิตของคุณก็ออกไปเสพอารมณ์อยู่ข้างนอกนั่นคืองานของเขาเมื่อคุณจะใช้สติใช้ความคิดเขาถึงจะมาสมมติว่าคุณจะบวกเลขหารเลขหรือแบบมีปัญหาอะไรเขามาแล้ว จิตมาสติมาเหมือนกันจิตไปสติไปเหมือนกันพวกเราไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าจิตกับสติไปไหม ไ, ได้อยู่ในตัวของเรานะเขาจะอยู่ห่างๆระหว่างจิตเขาจะอยู่ขวาซ้ายมือสติเขาจะอยู่ขวามือหูตาของพวกเราก็จะเพลินถ้าได้ยินเสียงถูกใจมันก็จะสะดุดนิดหนึ่งใช่ไหมถ้าเห็นสิ่งที่ถูกใจก็จะสะดุด ทางตานิดหนึ่งมันก็จะเพลินไปกับหูกับตาไปสมมุติว่าไปเจอสิ่งที่เราจะซื้อจิตกับสติที่เขาจะวิ่งมาบวกกันเช็เลยนะเช็เลยจะซื้อหรือไม่ซื้อสองคนนี้เขาจะตัดสินเองว่าซื้อหรือไม่ซื้อ ถ้าตกลงซื้อหรือไม่ซื้อเสร็จเขาก็จะจากกันไปเลยพวกเราก็จะเดินตัวเปล่าเพื่นินไปผีบ้าผีบอไปไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่นเขาเรียกว่าไม่มีจิตไม่มีสติไปเลยสตินี้เป็นเป็นของที่ นอนอยู่เฉยๆตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสติเป็นพระเอกตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงก้าวสุดท้ายสติสตินี้สำคัญนะจิตถึงแม้ว่าเขาไม่มีตัวตน สติเท่านั้นที่จะมองเห็นจิตได้จิตเขาพูดไม่เป็นแต่เขาคิดเยอะมากภาษาจิตคือภาษานึกคิดไม่ใช่ภาษาพูดสติจะรู้หมดเลยว่าจิตเราอยู่ที่ไหน เรื่องอะไรเขาจะได้ยินหมดพอนึกออกไหมเอาหลับตาหลับตานั่งตัวตรงหลับตาหลับตาแล้วก็ฟังอาตจจมาพูดอาตจจมาจะพาไปเที่ยว ให้พวกเราเดินลงจากอาคารนี้ไปเลยนะให้พวกเรากําหนดว่าตัวเองกําลังเดินลงจากอาคารนี้ไปอาลงลิฟต์แล้วกําลังจะลงบันไดเห็นไหมถ้าเห็นพงกหัวหน่อยเห็นอ๋อ เดินแล้วก็เดินตามฟุตบาทออกไปหาต้อมยามที่ประตูเลยนะแล้วยามเขาก็จะถามว่าเอา้าทางธรรมประชุมธรรมเขากันเขาเลิกกันแล้วเหรอโยมตะโกนออกมานะ พ่อเราก็ตอบว่าเออสร็จแล้วเสร็จแล้ ว, จ, ลวจะกลับบ้านแล้วเห็นเป็นภาพไหมประงกหัวหน่อยถ้าใครเห็นอ้าพอ่พอพ่อได้ยินเสียงเขายามพูดไหม ได้ยินเสียงยามตะโกนออกมาไหมเพราะคุณไม่นึกแล้วเห็นตัวเองเดินออกไปไหมเห็นไหมใครเห็นบ้างยกมืออ่ะไม่เห็นเลยเหรอ ไม่เห็นเลยเหรอเอาไม่รับตาไปบ้านเอไปบ้านทีนี้ส่งไปบ้านเลยส่งไปบ้านเลยเข้าบ้านไปจะไป เห็นตู้เย็นทีวีห้องน้ำห้องนอนห้องอะไรเห็นหมดอะ่ะเห็นไหมลองกำหนดว่ามีคนใดคนหนึ่งอยู่บ้านแล้วคุยกัน เราจะหมดแล้วเหลือห้านาทีจะได้เร hmm. no sure ื่องเลยวันนี้เห็นไหมอยากจะถามว่าคนที่ไปเมื่อกี้นี้กับคนที่นั่งอยู่นี้อันไหนคือเราฮอันนั้นลหละคือเรา ไอ้ที่นั่งอยู่นี้ก้อนบุญจากอดีตชาติไม่รู้หลงทำบุญอะไรไว้เอามารวมกันเข้าแล้วได้มานั่งอยู่ตรงนี้พอดีเขาเรียกว่าก้อนบุญจากอดีตชาติแต่เขามีเวลาของเขาจํากัดของเขานะถ้าถึงวันนั้นแล้วไม่มีใครฆ่าเขาก็ต้องจ่ายหมอที่โรงพยาบาลว่าเก่งขนาดไหนก็เอาไม่อยู่ใช่ไหม คนที่ไปเมื่อกี้นี้คือเราคนคนนั้นะเอาคนคนนั้นแหละมากับคนคนนั้นแหละมาไว้ที่ทรงอกเราแล้วให้เขาอยู่ตรงนี้ได้านานๆเราคิดวันหนึ่งเป็นแสนๆเรื่องทําไมไม่มีภาพเราส่งไปเมื่อกี้นี้ทําไมเกิดภาพขึ้นมาเลย ต่างกันตรงไหนอ่ะระหว่างที่เขาคิดทั้งวันไม่เคยมีภาพออกมาเลยใช่ไหมเราส่งไปเมื่อกี้ที่เห็นจะจดะดาดเลยใช่ไหมเราใช้สติส่งเขาไปถ้าเราคิดโดยมีสติกำกับเป็นความคิดที่ถูกต้องนะ จิตนี่เขาเป็นธาตุรู้เขาจะไม่รู้ดีรู้ชั่วพวกเราเคยด่าคนอื่นในใจไหมนั่นแหละคือเขาไม่รู้ดีรู้ชั่ว <ram> ขณะ <hum> ความชั่วชัดชัดเลยเขายังแอบกินคนเดียวเขาไม่รู้ดีรู้ชั่ว ดีเขาก็จินชั่วเขาก็จินระยะที่เขาออกไปเสพอารมณ์มีแต่เรื่องดีล้วนๆเลยใช่ไหมมีเรื่องไม่ดีด้วย้าหว่างเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีอันไหนมากกว่ากัน พระพุทธเจ้าบอกว่าบาปเข้ามาถึงตัวเราได้สามทางทางที่หนึ่งคือทางด้านความคิดคือจิตใจตั้งแต่มันเกิดจนถึงวันนี้ไม่รู้ว่าเราคิดบาปเท่าไหร่แล้วเราว่าคงจะมากกว่าตึกที่เรานั่งอยู่นี้นะบุญนี้ถ้าจะน้อยนิดเดียว เพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไม่ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่มีโทษนะเขาไปเสพอารมณ์เสพอารมณ์ดีก็เป็นบุญอารมณ์ชั่วก็เป็นบาปทีเนี้ยเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างเนี้ยเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าระหว่างจิตกับอารมณ์เหมือนเชื้อกับไฟ เราโยนเชื้อเข้าหาไฟนี่มันบอกพอแล้วมีไหมเหมือนกันเหมือนกันเขาเสียบอารมณ์อย่างนี้มานานเสียนานแล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้คนที่จะช่วยได้คนที่จะช่วยเขาได้คือผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น ตั้งสติแล้วก็ไปกระชากเขาออกจากดงอารมณ์มาแล้วก็เอามาไว้ที่สวงอกรู้อยู่สติบวกกับจิตเป็นความรู้สึกแล้วตั้งสติอยู่บ่อยๆว่าอยู่นะไม่ได้ไปเสพอารมณ์อันนี้แหละคือภาวนาจริงๆถึงเขาถึงเรียกว่าจิต ในจิตไมอินไมที่อาจจะมาตั้งเป็นหลักสูตรไว้อะถ้าเราระดึกได้เขาออกไปดึงมาดึงมาแล้วก็มาดูการดูจิตเนี่ยเราจะยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดดูได้ทุกเวลาเดี๋ยวนี้พวกความรู้สึก อาจจะมาว่าจะซื้อพาสเตอร์มาเจกนะให้มากิดไว้ช่วงอกแล้วก็ให้มองแล้วก็ให้นึกถึงพัาสเตอร์อยู่ช่วงอกเราจิตกับสติเนี่ยเขาทำงานคนละหน้าที่แต่สติเนี่ยจะเป็นคนดูแลจิตทำยังไงเราจะเอามาบวกกันได้ ทำยังไๆเราจะเอามาบวกกันได้ถ้าพวกคุณจ้องที่ใดที่หนึ่งเขาบวกกันแล้วนะทุกคนมองขวดเนี่ยถ้าพวกคุณจ้องอยู่ขวดน้าเนี่ยจิตของคุณกับสติของคุณบวกกันแล้วอยู่นี่พอเข้าใจไหมจิตกับสติของคุณบวกกันแล้วมาอยู่ขวดน้าเนี่ย เขาจะไม่มีอารมณ์เจือปนพอเข้าใจไหมทีเนี้ยนึกเอาขวดน้ำมาไว้ทรงอกเราได้ไหมนึกเอาขวดน้ำเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ พวกคุณแขวนเหรียญเอาเหรียญในคอของเรานั่นหละดูก็ได้ถ้าคุณกำหนดรู้อยู่จุดใดจุดหนึ่งเขาบวกกันแล้วเพียงแต่ว่าเราจะรู้อยู่กับเขาได้นานไหมถ้าเราอยู่ได้นานหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงที่เราอยู่กับเขาแล้วจะ ก, กลายไปเป็นพลังจิตทันทีสติก็ต้องะระลึกอยู่ถึงเขาจะอยู่เราก็จ ะ, ะระลึกยิงเข้าไปเรื่อยๆอ น, นี่คือปึกเพิ่มพลังของสติถ้าสติตัวนี้มีพลังเขาก็จะสติของเราธรรมชาติของเรามันไม่รู้ใช่ไหม ในการมาการไปของเขาไม่รู้แต่เดี๋ยวเนี้ยเราให้พวกคุณสติและลึกมาและลึกมาถ้าแล้วลึกอยู่บ่อยๆเขาก็เขาจะกลายไปเป็นสติควบคุมถ้าเขามีพลังมากเขาจะเป็นสติควบคุมระหว่างจิตกับสติเขาจะควบคุมเลยจิตยิบยับที่จะคิด เรื่องอะไรที่จะออกไปเนี่ยเขาจะควบคุมเลยเขาจะตัดเชะเชะเลยเขาจะออกไม่ได้เมื่อออกไม่ได้ก็เป็นโอกาสที่จิตใจจะได้สะสมพลังอย่างเต็มที่ใช่ไหมจิตใจเนี่ยถ้าถูกสติตัมอยู่บ่อยๆเขาจะหดตัวคข้ามาหดตัวเข้ามาเนี่ยหดตัวเข้ามามาเป็นเอกคตาจิต อยู่นี่เมื่อเป็นเอกคตาจิตแล้วเขาก็จะสะสมพลังไปเขาหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามามาเป็นเอกคตาจิตเนี่ยเขาจะนิ่งมากนิ่งจนเราเคลื่อนไหวร่างกายนี้ไม่รู้สึกเลยเราก็มาเจอครั้งแรกเนาะ หยิบนิ่งแล้วก็มายกตัวนะขนาดเอาหน้าผากลงจรดพื้นยังไม่รู้สึกว่าตัวเองก้มลงเลยยังเน่วอยู่เลยการเดินการเหินการใช้เทา้าใช้มือจะหยิบนั้นหยิบนี่ไม่รู้สึกเลยแต่เห็นเห็นตาเนื้อ มันนิ่งจริงๆขาดจากอารมณ์ข้างนอกมาแล้วก็มานิ่งปั๊บอยู่ดีจะทําไงต่อเราก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะตอนนั้นก็บวชใหม่ๆยังไม่ได้เข้าพรรษาเลยเราบวชวันที่สิบเมษาเลยพุทธภามิจนากัลยาโขดาเมษาพุทธภามิุนากัลยาโด า, า, า, าเข้าพรรษาอ เรจะเข้าภรษาโอ้เราไปถึงไดนแล้วเราใช้เวลาไม่นานนะเราใช้เวลาอยู่สามวันเท่านั้นจิตขาดจากอารมณ์ข้างนอกเลยมันนิ่งเป็นเลขาตาจิตอยู่นี่เอจะทําไงาต่อทรงไปหาพ่อมันก็ไปนะ่ะแต่สักภาพหนึ่งมันกลับมาสรงไปไหนมันไปหมดแต่สักภาพหนึ่งมันกลับมา กลับมาก็มาอยู่เป็นวั น, วนๆไม่ออกไปไหนเลย <Yeah. S 1> จะทำยังไงบวชใหม่ก็เลยหอโอกาสสนทนาธรรมกับท่านอาจา ร, รย์ขนันท่านก็มีหนังสือออกมานับเวลาเลยก็เข้าไปเข้าไปก็ไปเล่าให้ท่านฟังเดี๋ยวนี้จิตของผม ผมฝึกแล้วมันขาดจากอารมณ์ทั้งหมดแล้วนะครับส่งไปไหนมันก็ไปแต่มันก็ต้องกลับมาท่านก็เลยถามออกมาคำแรกว่าเอา้ามันหยุดแล้วไปส่งมันทำไมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงต่อผมก็เลยส่งลองดูไม่ต้องส่งมันแล้วเราก็ถามต่อว่า อโอกาสนะครับไม่ไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าจะให้กระผมนี้ทำอย่างไรต่อไปก็ปบอกออกมาคำเดียวว่าดูอยู่เฉยๆนั่นคือการกระทำโอ้ครับผมครับผมเข้าใจเชะเลยข้างในก็เชะกันเลยดูอยู่เฉยๆอ๋อออเข้าใจเข้าใจก็ อ, ออกมาก็มาดูดูอยู่ไม่กี่วันสัมปชัญญะเกิด มันจะพืดพืดพืดพืดถ้าอาการสัมปัชญะเกิดขึ้นนี่ยเราหนีจากตรงนั้นเลยมาอยู่กับอาการสัมปัชญะญอย่างเดียวสัมปัชญะเนี่ยทําไมถึงว่าสัมปัชญะมันคืออาการอย่างไงสัมปชัญญะนี่เขาจะเขาจะอิงเอาอาการที่จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละมาเป็นอาการของเขาอีกทีหนึ่ง ไม่ต้องฟังก็ได้เนะี่ยอันนี้นะไม่ต้องจำก็ได้หรือว่าจะจำไว้ก็ได้มาเป็นอาการของเขาอีกทีหนึ่งปืดปืดปืดคำว่าสัมปชัญญะเนี่ยวันหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเขาจะไม่เพลอแม้แต่วินาทีเดียวไม่เพลอแล้วก็ไม่ขาดด้วยเขาจะรู้ตัวอยู่ตลอดพอถึงเวลาหลับหลับเลยนะ พอถึงเวลาตื่นเช้ารู้ตัวตัวนี้ทํางานก่อนหมู่คณะเลยชุบปุ๊บปุ๊๊เลยอารมณ์นี้เข้าใกล้ไม่ได้แล้วจิตกับอารมณ์นี้เข้าใกล้กันไม่ได้แล้วกระจุยหลุยแหลกเลยเขาไม่เอาเลยเขาไม่รับกันเลยมาเป็นสัมปชัญญะอยู่สามวันแค่นั้น เข้าสู่การเป็นสมาธิทันทีเลยเป็นสมาธินี่เป็นชนิดที่แบบไม่ชะรออยู่ระดับใดระดับหนึ่งเลยนะเขาจะพื้นลงไปเป็นอัปปนาสมาธิสุดท้ายเลยคือเต็มภูมิเลยไม่มีคําว่าชะรออันนี้เราอยากจะให้พวกคุณทําอย่างนี้เพราะอะไร ถ้าพวกคุณไปทำนิดนิดหน่อยๆน่อยทนิดนิดหน่อยหน่อยนั่งห้านาทีสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงพวกคุณนิมิตเกิดพวกคุณไปไม่ถึงไหนหรอกตัวนี้จะไม่มีนิมิตเลยพวกขอให้พวกคุณดูได้ทั้งวันเดี๋ยวนี้พวกคุณระลึกเข้าไปดูได้ไหมความรู้สึกความรู้สึกเอาไม่ต้องเอาทั้งขวดนะเอา เอาแค่ฝามันติดไว้ตรงนี้จุดได้จุดหนึ่งแต่อยากให้อสวงอกมากกว่านะ่ะเพราะการเป็นสมาธิของง่ายมากเขาฟืบฟืบฟืบฟืบอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟื้ลงไปเลยเราเราเอาจุดเดียวที่เดียวจบเลยจบเลยเขาไม่ได้เอาที่อื่นนะ บางคนแล้วมีฐานที่ตั้งตั้งเยอะฐานตรงนั้นฐานตรงนี้ของเรานี่วันแรกกับวันสุดท้ายที่เดียวตรงลิ้นปีนี่แหละกําหนดให้เป็นก้อนหินก็ได้กําหนดเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้ากําหนดเป็นรูปเขาจะได้ไม่ถึงสิบนาทีเขาก็จะเลือนรางออกไปไม่เห็นแล้วเมื <S 2> <S 2> ่อไม่เห็น ให้พวกเรากาหนดว่าเราตั้งสติกับจิตไว้ตรงนี้นะความรู้สึกที่เราตั้งไว้นี่มันไม่มีรูปลักษณ์สันธานแสงสีเสียงไม่มีแต่ให้เรารู้ว่าเขาอยู่บุญใครบุญมันนะรู้สึกว่าเราสอนชัดมากบุญใครบุญมัน ตรงนี้ไม่มีใครสอนเราเลยนะ่ะเราค้นเองเจอเองเดินเองไม่มีใครมาสอนเราเลยพอออกจากสำนักของอาจารย์ขานมาอยู่กับท่านอาจารย์บุญจันทร์เราถึงมีโอกาสได้อ่านหนังสือเราอ่านหนังสือเทียบเข้ามาเทียบเข้ามาแล้ว โอ้มันอยู่ในสติปัฏฐานสีพอเรารู้ว่าจิตในจิตกายในกายเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมตกตอนเย็นมาเราไปกําหนดดูกายในกายเชะเชะเชะเ ช, ช, ช, ชะกันหมดเลยไม่ต้องไปอะไรสักอย่างขอ เ, เพียงแต่ว่ากําหนดเข้าไปกายในกายเธอโชะเลยเวทนาในเวทนาโชะเลย เราถึงอยากจะฝึกพวกคุณให้คล่องแคล่วอยู่ในจิตในจิตให้คล่องแคล่วสามอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลยพอจิตมีพลังกสติมีสมาธิเนี่ยขอให้พวกคุณนึกเท่านั้นละ่ะคือแบบไหนกายในกา ย, กายเขาโชวเองของเขาเลยแบบไหนเวทนาในเวทนาโชวเลย เราไปอ่านหนังสือเจอพวกท่าตอนเย็นเราก็มากำหนดดูกำหนดยังไม่อะไรเลยเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยโอ้โหเร็วมากเราก็ไม่เคยเพ่งอสุภาสักทีนะมันหนึ่งมีพระได้หนังสือหลวงปู่ชามาอสุภาเป็นรูปทั้งเล่มเขาผ่าจัดคนนี่หละ พ้ะเขาก็ยืนดูกันอยู่สองสามองเอ้วก็โอเห็นเขาดูหนังสือพอองค์นั้นดูอง์นี้ดูหมดแล้วตั้มก็ข อ, ขอดูบ้างพอขอดูแค่นั้นเราเปิดหน้าหนึ่งหน้าสองมันดูดฟูบเข้ามาหมดทั้งเล่มเลยอจัอจฉริยะอัจฉริยะเต็มไปหมดเลย พวกคุณเราบอกแล้วว่าชาติพิเศษของพวกเรานะนี่นะจิตใจเนี่ยถ้าปฏิบัติกับเขาดีๆเขารู้หมดนะจะคุยกับเทวดาก็ได้จะคุยกับเปรตกับผีก็ได้ยากของพวกเราอยู่ที่ไหนอยากรู้เหือความพิเศษของเขามีมากที่สุด แต่พวกเราติดโลกหลงโลกติดโลกหลงโลกยึดถือโลกให้ความสำคัญกับโลกหลอกลวงใช่ไหมไม่อยากให้คุณนั่งสมาธิเป็นผู้หญิงด้วยติดนิมิตเร็วด้วยเห็นนั้นเห็นนี้เอาไปกันใหญ่เลยดํำลายพุง ไม่ได้อะไรสรักอย่างเราสงสารคุณตรงนี้ทำยังไงพวกคุณจะเข้าใจตรงนี้คำว่าจิตในจิตมันตั้งเทศหนึ่งชั่วโมงที้กันหนึ่งชั่วโมงจิตในจิตจิตบวกกับสติเขาจะเป็นความรู้สึกเอานั่งตัวตรง นั่งตัวตรงคุณพวกคุณมองมหาตามาทั้งหมดถ้าพวกคุณจ้องมหาตามาสติกับจิตก็บวกกันอยู่นี้แล้วใช่ไหมทีนี้ค่อยๆเอาไปวางไว้ศีรษะของตัวเอง ตั้งสติดีๆแล้วก็ทำความรู้สึกไว้กลางศีรษะของตัวเองถ้าสติอยู่ที่ไหนจิตก็จะอยู่ที่นั้นฟังนะค่อยๆฟังรู้สึกที่ศีรษะไหม ถ้าใครรู้สึกที่สีสะประงกหัวนิดหนึ่งที่นี้ย้ายความรู้สึกลงไปที่ก้นที่นั่งทับอาสนะอยู่สติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั้นใครรู้สึก ที่ก้นแล้วอ่าทีนี้ฟังนะค่อยๆประครับประคองตั้งสติตัวเองไว้ตรงลิ้นปีกสวงอกได้หรือยังได้ไหมย้ายขึ้นมา กำหนดเป็นดวงแก้วก็ได้องค์พระก็ได้เล็กๆติดอยู่ลิ้นปีเราอ่ะให้มองตัวเนี้ยถ้าเรามองตัวนี้อยู่จิตกับสติก็บวกกันอยู่นี้ให้พวกคุณไปบ้านแล้วก็ไปนั่งมองตัวนี้ให้มากๆ จริงๆแล้วเราอยากให้พวกคุณมองแล้วก็ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยเพราะว่าพวกเรามันไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิถ้าพวกคุณฝึกได้ตรงเนี้ยพวกคุณจะสบายเลยนะพวกคุณอยากฟังคนที่ทำได้ไหม อยากฟังไหมเออ <Yeah. S 2> คือทั้นั้นวในการผฏิติก็มีทางชลพรตเองหรือทางที่เขาก็สามารถที่จะทำได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับผูออ้ที่รับฟังแล้วกออ็จะเป็นกำลังใจนะครับว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงมันค า, ารสุดเขาก็จะสามารถที่จะบอกได้ครับว่าออหลังจากที่เขาทำมา จิตเขามีพลังจิตเขาเรวมสติกับจิตเขาเรวมกันแล้วมันเป็นลักษณะไหนนี่ครับขอกาสนะครับพระน า, าคือพระเราก็สอนไปเยอะแล้วนะโยมเราก็สอนไปเยอะแล้วนะมีผู้เข้าถึงหลักัยอยู่นะมันมีหลักฐานพยานอยู่คุณ เช่ให้เขาฟังสักหน่อยอนนนใช้เวลานานเท่าไหร่อัด ก, อนนก่อนเรื่ครับเผือให้จบนะครับครับสวัสดีครับขออกายครับอาจารย์ครับคือผมจะมาแชร์ความรู้สึกที่ผมได้ได้เห็นนะฮะเห็นตัวรู้เนี่ยนะครับผมปฏิบัติมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับผมมาเห็นตั้งปี 6-6 หกนะครับผมก็ทำมาตลอดนะฮะสมาธิผมก็นั่งมาตลอด นั่งหกชั่วโมงห้าชั่วโมงมก็เคยนั่งมาแล้วนะครับผมก็ทําตลอดแต่ ก, ก็ยังไม่เห็นจนพระอาจารย์มาตอนที่เนี่สอนอะไรหลายครั้งหลายเที่ยวมันก็เกิดความกลัวนะฮะทำไมเรายังไม่ได้สักทีนึงก็เกิดความกลัวเวลาพระอาจารย์มาทีไรผมจะไม่เคยกล้าเข้ามาลุู้หน้าหรอกเพกลัวเพราะเรายังไม่เห็นสักทีผู้รู้อยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้นะครับตอนที่ผมเห็นเนะี่ยวันนั้นนะ่ะผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือผมไปสวดมนต์ผมตื่นตีสาม ตนุนตีสามมา้วขึ้นไปเศษมนนะครับอาบน้ําได้แต่ขึ้นไปเศษมนลงมาแค่ประมาณตีห้าชงกาแฟพอชงกาแฟเสร็จจมปุ๊บเนี่ยผมก็เอากาแฟแ ก, ก้วกาแฟตั้งแ ก, ก้วกาแฟตั้งปุ๊บจังหวะที่ผมก้มลงจะไปดึงเก้าอี้เข้ามานั่งช่วงนั้นนะครับจิตมันวิ่งปุ๊ บ, บผมรู้สึกความรู้สึกนะวิ่งเข้ามาตรงกลางอกเนี่ยบู๊ดมันบอกว่าไปหาตรงไหนอยู่ตรงนี้อยู่มาตั้งนานแล้วอยู่ตรงนี้ยเขาพูดกับผมนะ การที่ผมส่งกันคุยกันนะพวกอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยไปหาตรงไหนอูผมอึ้งไปพักหนึ่งนะครับแล้วเสียงที่เข้ามาคือรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่เสียงหัวอาจารย์เนี่ยครับเข้ามาในหูผมรู้อยู่โอ้ตรงนี้เองที่อาจารย์บอกรู้อยู่รู้อยู่เนี่ยครับผมก็บอก้ยเขาอยู่ตรงนี้เองเหรอเออเราไปหาที่ไหนเราตามหาตั้งนานก็ไม่เจอนะครับเขาบอกไม่ต้องเขาอยู่ตรงเนี้ยผมก็อึงอ้งอึงอ้งอึ้งไปพักหนึ่งพนันเสร็จเตียปุ๊บ ผมก็นั่งนั่งแล้วผมก็กืทําอะไรไม่ถูกอ่ะมันเหมือนมันจะบอกดีใจมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะเพราะมันมันมันมันมันรู้มันมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่อึดอั้น่ะเสียงพระอาจารย์เข้ามารู้อยู่รู้อยู่มันก็ตกคือก็ก็กําหนดเลยว่ารู้อยู่รู้อยู่เอาละรู้แล้วอยู่นี้แล้วก็นึกถึงพระอาจารย์เสร็จปุ๊บก็นึกถึงหลวงพ่อวิชัยเข๋มิโยที่มกมาน้าผ้าไปเพราะท่านเนี่ยผมเคไปปฏิบัติธรรมกับท่านที่กองสามเนี่ย นะครับเมื่อตอนปีห้าเจ็ดเนี่ยไปเริ่มเริมไปทำนะท่านบอกให้ดูกลางหน้าอกเรืระเดี๋ยวกลางหน้าอกนั่นแหละเป็นอยู่ตรงนั้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากลางหน้าอกคืออะไรผมก็ดูให้เป็นดูให้กล้มหน้าดูหัวก็ไม่ใช่นะก็พอพอมามามาตอนปีหกหกเนี่ยเพื่มาเห็นนะ่็เอออยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วตั้งนั้นมาผมก็กําหน ด, ดมาตลอดเวลาทาสมาธิผมว่าเดี๋ยวผมมีที่อยู่แล้วผมจิตผมอยู่ตรงนี้เองผมก็เวลาผมนั่งสมาธิหรือทำอะไรผมก็ใจจะลด ถ, ถึงตรงนี้ ดูอยู่ตรงนี้ตลอดไปไหนมาไหนมันก็ดูอยู่ตรงนี้เขาเห็นเราตลอดเลยนะแต่เราอ่ะไม่รู้เองอ่ะจริงๆทุกคนมีผมบอกพระอาจารย์ว่าทุกคนมีหมดอนะ่ะแต่ยังไม่เห็นเขาไงงั้นพยายามอย่างที่พระอาจารย์สอนเนะนี้ยถูกต้องเลยครับเพราะสติสตินะทุนะกวันนี้ผมนะมีสตินะรู้อยู่ตรงนี้ตลอดไปไหนทํางานทําการตอนผมจะใช้พาร์ลูกไปโตทำงานไปเข้างนาะไปไหนผมก็พุโทโธตลอด พูโทพูดโทรโทร อ, อยู่ตรงเนี้ยนะะเราพอ น, นั่งเสร็จมาตรงเนี้ยเราก็อยู่พอผมก็กําหนดอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับไอ้เกือเดี๋ยมันจะเสียเวลาม า, ากาครับอาจารย์แต่ความพิเศษมันมากเนี่ยมากครับความพิเศษมันมากไปยืนคุกยกับใครใกล้ๆไม่ได้น่ะมันทะลุปุบปุ่งไปหมดเลยนะเห <_ S 1> ็นนะครับทั้งๆั้งที่เราไม่อยากรู้อยากเห็นแต่มันก็เห็นมันเหนื่อยครับเวลาเห็นเพราะว่า ผมนั่งสมางานที่เนี่ยพอลกไปปุ๊บเนี่ยมันรู้ตรงเนี้ยเขาจะบอกเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเจ้านายโทรมาแต่ผมปิดมือถื อ, อพออบอกปุ๊บผมลองเปิดมือถือดูเออเจ้านายโทรมาสองครั้งจริ ง, รงผมต้องกลับไปออฟฟิศเพราะว่าต้องรีบไปประชุมกับบอร์ดเจ้านายโทรตามเบอกเออไปไหนแล้วแต่พอถ้าเกิตรงนี้ขึ้นนะเขาจะรู้งานเข้ามีงานเข้าอ้าวรีบกลับไปดูอ้าวมีงานเข้าจริงๆ ง, งานป่าไม้งานอะไรเขาจะบอกเลยงานป่าไม้ อันนี้การป่าไม้มานะเอาไปดูกลับไปที่โต๊ะงานป่าไม้มาวางอยู่นะเออคือตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจนะครับผมก็ไม่ได้สนใจถึงแล้วรู้ก็รู้รู้รู้ก็รู้แต่รู้มากๆมันก็จะจ ะ, จะจะเหนื่อยจะเหนื่อยแต่ไม่ค่อยอยากจะอยากจะรับรู้แต่มันก็ต้องรู้เอร <c oughs> <อ>นี้เด <c oughs> ้อจิตครับคความเป็นจิตมันจะมีถ้าเขาสงบระดับหนึ่ง เขาจะเกิดความรู้ขึ้นมาสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือความรู้ถอดถอนนะ่ะความรู้ถอดถอนนี้จะเป็นความรู้เพื่อที่จะให้งานของเราเจริญไปความรู้อย่างที่สองนี้คืออำนาจของจิตหรือว่าความรู้ ความรู้พิเศษอ่ะความพิเศษของจิตอ่ะเขาจะรู้เขาจะเห็น้ายนครั้งนอกรู้คนนั้นรู้คนนี้รู้กรรมอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยนี่เขาเรียกว่าความรู้ประดับอํานาจของจิตที่ฝึกได้เขาจะมีฌานมียานเกิดขึ้นของเขาอ่ะทีนี้ความรู้ถอดถอนเนี่ยมันต้องมา รู้กายใช่ไหมรู้กายรู้ปฏิกูลโสโครกรู้อะไรมันถึงจระรักสักยะที่ทีไ ด, ด้ด้วยดุนั้นได้อันนี้เขาเรียกว่าความรู้ที่จะฆ่ากิเลสความรู้ถอดถอนก็ได้เอะความรู้สองอย่างเนี่ยถ้าเรามาเรามาเล่นความรู้การรู้การเห็นข้างนอกเกินไปเขาจะเสื่อมนะ ถ้าตัวนี้เสื่อมตัวนี้ก็เสื่อมด้วยถ้าเรามายืนอยู่กับความรู้ถอดถอนเขาจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเจริญขึ้นไปตัวนี้ก็จเจริญจเจริญตามเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นไม่อยากให้เที่ยวเท่าไหร่บางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากรู้เขาก็เอามาให้เห็นความพิเศษของจิต แต่ก็รู้ไปผ่านไปเฉยๆไม่ต้องไปยึดถ้ายึดตายคนไหนยึดคนนั้นตายไปไม่ถึงหลักชัยเพราะทางแยกมันเยอะแยะว่าหหนทางไปพระนิพพานหนทางทางแยกมันเยอะแยนะนอะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี้ย มันข้ามการบริกรรมพุทโธข้ามลมหายใจมาแล้วมาอยู่กับความรู้สึกถ้าพวกคุณจับความรู้สึกรู้สภาวะความเป็นจริงของเขาในการออกการเข้าการอยู่ได้ชัดเจนหลวงพ่อเพิ่นพูดไว้ชัดเจนนะหลวงพ่อวิ่ไดยังบอกว่าขอกระซิบเล็กหน่อยนะถ้าใคร เจอตัวรู้ผู้รู้แล้วหนทางไปพระเด่นิพานเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วทำยังไงต้างาสงสารพวกคุณอยากจะให้พวกคุณรู้ความรู้สึกถ้าพวกคุณรู้ความรู้สึกพวกคุณจะภาวนาได้ง่ายมากมันไม่มีเวลา ถ้าเวลาสักสองชั่วโมงอย่างน้อยๆ น, น, นี่เอาจี้เป็นลายลายไปเลยสแกนไปเลยเหรอไม่เอาถึงขนาดนั้นหนน่ะเนา ะ, ะความเข้าใจนี่ก็พอแล้วมักแต่เราไม่ไม่มีใครมาอธิบายให้เราขนาดนี้นะแต่เราก็ยังผ่านไปได้อันนี้โอ้โหมาชี้ขนาดนี้ไม่เข้าใจนี่ปุ๊บ อยากจะร้องไห้มีอะไรถามกันสักหน่อยไหมกินเวลาเพิ่มแล้วนะครับมีใครอยากจะจะค่ยด้วสอบถามไหมครับอีกแล้วอวันนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญอย่างที่ผมได้กล่าวตั้งใจตอนแรกว่าเป็นกิจกรรมแรกของการเข้าพรรษาถ้าเราจะตั้งใจทำทุกครั้งหนึ่งในพรรษานี้ ลองดูนะครับทําใครทํามันคือพระอาจารย์จะบอกว่าจงพากันใช้สติควบคุมจิตใจมาตั้งไว้ที่ฐานพร้มให้เป็นความรู้สุกอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืยนเดนินนั่งนอนเดินเดนิด น, ดนกินทำเพื่อคิดก็ให้มีสติเป็นความรู้สึกอยู่รู้สุกอยู่เทดลองทำดูนะครับ ไม่รู้ว่าพวกเรากําลังห่วงอะไรอยู่ตากท้องพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะจริงๆแล้วไม่รู้ว่าพวกเราห่วงอะไรอยู่สําเร็จสําเร็จเป็นพระอารหันต์คือยังไม่ตายยังทําอะไรได้ทุกอย่างสามีภรรายาก็อยู่กันได้ด้วยความเป็นปกติ ใม่รู้ว่าพอเราห่วงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้ดับหมดนะแต่ไม่ดับพร้อมพร้อมกันเฉยๆจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตครองหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครองดับหมดเรามารู้ตรงเนี้ของเราขาดไปครึ่งโลกแล้วนะ รู้ว่าความจริงไม่เป็นจริงนี่นะของเรานี้ขาดกระจุยลุยแหลกไปครึ่งครึ่งโลกแล้วถ้าพวกคุณไปถึงความเป็นสมาธิอย่างเต็มภูมเนี่ยเราบอกได้เลยความอยากในหัวใจความอยากได้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยู่ในหัวใจแต่ละดวงลดควบลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งหมด ทั้งหมดของเราเป็นลักษณะนี้นหะทดวอดลงไปจิตเป็นสมาธิไม่ใช่ธรรมดานะพวกคุณอยู่ในหนังสือหลวงปู่แบนท่านบอกว่าถ้าใครประครับ คระคองจิตของตัวเองเข้าถึงความเป็นสมาธิแล้วคนนั้นหละจะได้ริมรสชาติของพระนิพพานถนนแห่งความหลุดพ้นหนทางแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ใจพอไหมครัขบขอบคุณท่านท่าอาจารย์เฉเดนเทรพรโรเป็นอย่างสูงนะครับ ท่านกล่าวว่าถ้าท ต, ต้นเป็นนักปฏิบัติใหม่การควบคุมจิต ก, กับอารมณ์ซึ่งจิต ก, กับอารมณ์เป็นสิ่งที่คล่องเคร่องว่องไวจึนต้องใช้ความเพียรมากถ้าความเพียรไม่พอจะเอาไม่อยู่เมื่อเอาเขาไม่อยู่แล้วจะเข้าความเป็นสมาธิไม่ได้ต้องหาวิธีให้กับตัวเองที่จะหยุดเขาให้ได้ถ้าหยุดได้แล้วจะมีคุณค่ามาก พอใจไหมพอใจไหมเราสงสารพวกคุนม tamam no like e ัน um ไม่มีเวลาให้กันอยู่สามัคคีบุญญารามาตรมาสอนไว้ดีมากกำลังติดติดติติติติติติดกันมาเลยเดี๋ยวนี้นะกำลังติดติติติดกันมาเยอะ ครับที่วัดสามัคคีบุญลามนะครับก็จะมีอาคารปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่ท่านมาที่นี่ก็ทานนี้ก็มีโอกาสญาติธรรมก็มีโอกาสร่วมแต่ว่าทางนี้คืออาคารปฏิบับบติิัตธรรมนี่ยก็จะบอยไปแล้วนะครับทางคณะชมรมพุทธเองครับก็ได้มีโอกาสได้ไปพักปฏิบัติธรรมซึ่งมีจัดคอร์สเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเส้นเป็นคอร์ส m i n d meditation นะครับ ซึ่งทางโมดลสกายนะครับก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ที่อุปถัมภ์วัฒน์อยู่ด้วยนะครับดยในในการนี้ก็ท่านใดที่อยากจะร่วมในการที่จะเป็นกองทุนปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งการปฏิบัติธรรมก็จะมีทั้งละประมาณสี่สิกวก็จะมีค่าใชจ่ายบ้างเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆนะครับเพสามารถร่วมปฏิบัติธรรมได้ก็คือ ให้ธรรมทานเป็นทานนะครับก็สามารถร่นมบวนไปได้นะครับพวกเราเจอกันอีกไหมยอยากเจอไหม <c oughs> ออกพรรษาเนาะออกพรรษาค่อเจอกัน <c oughs> ช่วนเวลาเพื่อที่ฐานนี้สามเดือนลองทําดูครับ <S 2> <S 2> <ม>การรู้อยู่รู้อยู่ที่ฐานนะครับออกไปก็ดมกลับมาครับออกไปก็ดมกลับมาลองทําดูครับแล้วขอพวกคุณอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะแต่ก็ทําได้นะขอพวกคุณ พยายามอย่าใช้ความโลภความโกรธความหลงความอิดฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนีนการดา่าการดา่าการตีการปิดฉากเลยเราตั้งใจจะเป็นมนุษย์ของพระนิพพานโดยตรง่าอย่างนี้นะเราจะปิดฉากของขบวนของ คือโลภโกรธหลงอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนนี้เป็นขบวนการที่จะทำให้กิตแต่และดวงลงนรกนะ่ะพอเข้าใจไหมขบวนการที่จะทำให้เราถึงพระนิพพานคือศีลสมาธิปัญญาอยากให้หยุดอิจฉากันหยุดนินทากันหยุดหมดเลยเรานี้ไม่มีน่ะไม่มีเลย พวกคุณยังแทรกแซงกันอยู่ตรงนี้พวกคุณจะ ไ, ไม่ไปไม่ถึงไหนนะเราถ้าพวกเราขี้เกียจอยู่กับความรู้สึกมันจะไม่เจริญนะมันจะไม่เจริญเลยโอ้สาธุหลายๆนะสาธุหลายสาธุ สื้อปฏิโมกต์เเทียนพันศาได้บุญหลายๆนะได้บุญหลายๆได้ฟังธรรมะเข้าใจในศีลในธรรมก็มหาศาลของบุญนะ สาธุสาธุสาธุสาธุสาธุหลายๆสาธุสาธุไม่มีเนาะสาธุสาธุ ชาตุชาตุชาตุสาตุดุลย์เลยชาตุชาตุชาตุได้ได้ได้ กอลักทาายก็ the the fall, ่งนเราก็นไว้ในจุดเดียวกันก็คือมันก็มีจุดีอ้เหเียค่ะมันมันมันเหมือนกับที่เราอจิตไปตรงนี้แล้วเราก็ระลึกรู้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนลค่ะแค่เปลี่ยนจุดอย่างนั้นนะคะ ก็เลยอยากรู้ว่าที่เราทําอยู่เนี่ยเราก็ระลึกจุดนี้เหมือนกันตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยจุดไหนก็ได้ก็ได้เก็ได้แต่มันแต่เรา <ค cotton. S 2> ไม่ได้เราไม่ได้ให้บริกรรมพุทโธนะเราไม่ให้ดูลมหายใจนะ่ะอ๋อไม่ได้ใช้บริกรรมแต่ว่ารู้อยู่ที่จุดดูความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้จะ ทั้งจิตทั้งจิตทั้งสติบวกกันอยู่เรานึกไปที่ไหนเรานึกตั้งสติมองไปที่ไหนจิตมันก็ไปด้วยแต่เราเอาตั้งไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ให้มองจุดนั้นให้ได้นานๆมองจุดนั้นไปด้วยซักผ้าไปด้วยขับรถไปด้วยคุยกันไปด้วย นั่นคือการภาวนาไงน่นแหละก็มองพระที่แขวนอยู่นั่นนะใช้ตาในมองอ่ะมองด้วยความนึกคิดอ่ะแขวนพระพระอยู่ก็ตาในรมองเลย okay. Okay. เห็น <Okay. S 1> เห็นก็อยู่นั่นแหละนั่นแหละคือความรู้สึก เพราะคุณจะรอเอาอะไรวันสุดท้ายพวกเราไม่ได้อะไรสักอย่างนะจะบอกให้วันสุดท้ายคือวันที่พวกเราจะผิดหวังมากที่สุดวันสุดท้ายที่จะออกจากเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นวันที่เราจะผิดหวังมากที่สุดถ้าเราสละได้ตั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยสละไม่ใช่การทิ้งนะ เขาเรียกว่าทิ้งทางใจเข้าใจไหมไม่ใช่ขว้างทิ้งทิ้งทางใจนี่ไม่ใช่ขว้างทิ้งแต่ก็ยังเป็นเจ้าของอยู่แต่ใจไม่ยอมเป็นเจ้าของเข้าใจไหมใจไม่เป็นนิสิตใช่ถึงเวลาตายตายสบายเลยไม่มีความคิดห่วงนั้นห่วงนี้เลยนั้นเขาเรียกว่าให้ทิ้งทางใจเดี๋ยวนี้พวกเราเกี่ยวข้องไปหมด เกาะเกี่ยวกันไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเยื่อเป็นใ ย, ยเป็นต่ข่ายกันไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะเราจึงบอกว่าเอ๊ะเกิดในาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธเฉพาะทะเบียนบ้านนี่ไม่ใช่แล้วละ่ะ <c oughs> อย่างน้อยๆคนเป็นพุทธนี่ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นหลักถึงจะเป็นการถูกต้องไงเข้าใจไหม ทำตลาณให